คนอื่นล่ะน่าจิตตาไหลน้ตาหน่าจิตตานั่นคือความคิดความรู้สึกหละความรู้สึกเศร้าโกลว์หายไปด้วยคนอื่นล่ะธรรมดารู้สึกเข้าใจคนะคะว่าทุกคนมีความ รู้เ <guy> ข้าใจว่าบางทีา <cier> ที่เาเศร้าหรือเาอารมณ์แล้วหือเาบารู้สึกร well ้สึ้กเข้าใจมากขนนะว่าางทาาเป็นอย่านเพราะว่าเาเจอเหตุการณ์นี้มาย่งถ้าไม่มีคำบรรยายนี่เราจะรู้สึกอย่างที่เรารู้สึกเมื่อสักครู่ไหไม่คุ้มไปเลยคไม่รู้แจะเกิดคำถามว่าเาเป็นอะไรเวลาเห็นคนที่เขา คนที่คนที่เขาเพิ่ประสูอุบัติเหตุแล้วเขากําลังเดินกระเพกกระเพกเนี่ยเรารับรู้ได้ากมว่าเขารู้สึกอย่างไรเจ็บเจ็บปวดเจ็บทุกข์หรือคนที่ขึ้นมาบันไดเลือนแล้วก็เอามือเอามือฮะหน้าตาดูน้าไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมคนที่ขึ้นบันไดเลือนเราบอกคนหนึ่งเนี่ยเนื้องอกเป็นเนื้องอกปกติอีกคนหนึ่งเนื้องอกเนื้อเป็นเนื้องอกรายถึงถ้าเกิดว่าเขาไม่บอกนี่เรารู้ว่าเขาสุขหรือทุกข์ฮะ ภาษากายบอกได้ค่ ะ, ะแต่เราน่าจะเห็นนะว่าตอนที่เข้ามือเนี่ยมือเขาแตะที่ตรงเลยนะวิตวอตอกังวนนะนะคื อ, อ <c oughs> ที่เขาถ่ายทอด ใ, ใ, ในการมุมมองของตมานนะก็คือเหมือนกับว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันก็เหมือนกับโลกเล็กๆใบนึงซึ่งมี ทั้งคนสุขและคนทุกข์ใช่ไหมนอกจากในในในโรงพยาบาลนี้มีคนหลายชาติหลายภาษามีคนหลายวัยใช่แล้วก็มีความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในนั้นใช่ซึ่งก็เหมือนกับโลกในความเป็นจริงใช่ไโลกใบใหญ่ก็มีคนเกิดแก่เจ็บตายมีคนแต่ก็ไม่ได้มีแต่ความทุกข์ท น, นมีความสุขด้วยเด็กก็เด็กที่เป็นใบ้ก็ได้ยิน ห, หรือว่าคนที่เป็นคนที่เป็นหมอก็กำลังจะพบว่าตัวเป็นพ่อคนมันก็มีความสุขด้วยในเวลาเดียวกันในโรงพยาบาลมันไม่ได้มีแต่ความทุกข์มันมีความสุขด้วยนะซึ่งมันก็เหมือนกันโลกใบใหญ่ที่เราอยู่นะแต่สิ่งที่เขาอยากจะเชิญชวนให้เร า, าพิจารณาเป็นพิศเศษคือ การรับรู้ถึงความสุขและความทุกข์ของผู้คนที่อยู่รอบตัวเรานะแล้วที่เขาพูดตบท้ายว่าอะไรว่าถ้าเราเห็นอย่างที่เขาเห็นรู้สึกอย่างที่เขารู้สึกเราจะปฏิบัติกันเหมือนเดิมไหมนะเราเชื่อเราจะปฏิบัติกันเหมือนเดิไมไหมจะปฏิบัติแต่ตางกันอย่างไรรู้นะครับ เห็นใจใส่ใ จ, ใจอยากช่วยเหลือคือพอเราเห็นพอเราเห็นเขาทุกข์นะเราจะอยากช่วยเหลือเขาตอนที่เราอยากเห็นเขาทุกข์เนี่ยธรรมชาติของมนุษย์นนะมันจะเกิดเมตตาและกรุณาขึ้นนะเมตตาคือความปรารถนาให้เขาได้ดีกรุณาความปรารถนาอยากให้เขาพ้นทุกข์ธรรมชาติคนเราเนี่ยนะถาาว่า ไม่มีอะไรขวางกั้นนะเวลาเห็นคนข้างหน้าทุกนเนี่ยใจเราจะรู้สึกทุกข์และเกิดความเมตตากรุณาหรือความสงสารอยากช่วยเหลือนะอันนี้มันเป็นธรรมชาติที่มีในในในมนุษย์ทุกคนนะเมื่อวานนี้นาก็พูดถึงเรื่องม i เร o r Neuron รอนคือเซลล์กระจกเงา เซลกระจงงานเนี่ยมันมันมีคุณสมบัติอย่างนึงคือว่าพอพอเห็นเด็กยิ้มเนี่ยเรารู้สึกยังไงพอเราเห็นเป็นภาพเป็นภาพเด็กยิ้มก็ได้นะเราจะรู้สึกมีความสุขเราใจมันก็ใจเราก็ยิ้มไปด้วยเวลาเห็เด็กร้องไห้ใจเราก็มันก็ร้องไห้นะตรงเนี้ยมันมันไม่ต้องฝึกนะมันเป็นเอง เพราะว่ามันเป็นมันเป็นเพราะเรามีมีเรอเนอรอนซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเกิดความรู้สึกคล้ายกับคนที่เราเห็นทั้งหน้าไม่ว่าเขาจะสุขหรือทุกข์และมันยังทําให้เราเนี่ยสามารถจะมีพฤติกรรมคล้ายหรือเลียนแบบคนที่ข้างหน้าเราได้เราเคยชังเกลไม่เวลาเราเพลินๆ น, นะเขาเขาหาวก็หาว <c oughs> เขาเกาหัวเราก็เกาหัว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละมีเรอเนอรอนนะ ซึ่งมันทําให้เราเนี่ยนะอันที่หนึ่งเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถจะเรียนเรียนแบบคนอื่นโดยไม่รู้ตัวซึ่งมันทําให้เราเนี่ยเกิดความเห็นอกเห็นใจนะเราเจอใครเนี่ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องคุยเขาเราเห็นหน้าตาเขาเราก็รู้ว่าเขากํลาลังสุขหรือทุกข์นี่คือธรรมชาติของใจเรานะแต่แต่ว่าคนเราเนี่ยนะ บางครั้งเนี่ยมันมีมัน ม, ม, นมีมันมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เราเนี่ยคล้ายๆเป็นกำแพงข ว, ขวางกั้นไม่ให้เรารู้สึกสุขหรือทุกข์หรือรับรู้ความสุขและความทุกข์ของเขาได้กำแพงขวางกั้นเนี่ยที่ว่านี่อาจจะได้แก่หัวโขนหรือสมมุติเช่นอ่า ถ้าว่าเราเป็นเราเป็นแฟนบอลแมนยูแล้วหลไรนี่คนนึงใส่เสื้อลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังเศร้าเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเศร้าเขาด้วยเลยพราะเขาคิดว่าเขาเป็นคนละพวกกับเราเอาเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็ได้นะถึว่าเราเป็นเสื้อเหลืองเลยนะเราเป็นเสื้อเหลืองนี่นะเราเห็นเสื้อแดงเนี่ยเขากําลังทุกข์นะกาลังเจ็บปวดไหมเราไม่รู้สึก ทุกเปิดเขาเรากลับไปสับใจใช่ไหมใช่คืออั น, น เ, าาอเนี้ยเข้าใจมาคําว่าสัวโขนเนี่ยมันเป็นตัวขวางกัน้นไม่ให้เราเนี่ยไปรับรู้ถึงความทุกข์ความสุขของเขาได้ <c oughs> ตอนนั้นเราไม่ใช่มนูษแล้วแต่ตอนนั้นเราเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเราเป็นแมนยูโลหิตยาเหมือนกันโลหิตยากําลังทุกเนี่ยนะโอ้โหเขากาลังเขากาําลังหิ้วหอยเนี่ยแต่เศร้าสเราเป็นคนไทยเนี่ยเราเจ้าเสือว่ามันมีช่องว่างระหว่างกันมันเป็นคนละพวก ความหัวโขนเนี่ยบางครั้งมานทำให้เรารู้สึกเกิดความแตกต่างและความเป็นพวกมีเรามีเขาเมื่อวานนี้ตมามพูดถึงเรื่องหมอคนหนึ่งซึ่งพอผ่าตัดและเด็กตายเนี่ย <c oughs> เขาก็ออกจากห้องผ่าตัดแล้วไปไปหาแม่ของเด็กแล้วก็บอกขอโทษแม่เด็กซึ่งปกติเนี่ยหมอหลายคนไม่ทํา เพราะเขารู้สึกว่าถ้าเ็าพูดอย่างนั้นเนี่ยนะจะทำให้เขาเป็นเป้าถูกฟ้องได้ง่ายอะไรทำให้หมอคนนั้นเนี่ยออกไปขอโทษแม่ของเขาแม่ของเด็กที่ตา ย, นยในตอนนั้นเนี่ยหมอเนี่ยเขาเขาวางหัวโขนคืความเป็นหมอเนี่ยออกลงมันมีแต่ความเป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย เขากับแม่ของเด็กเนี่ยเหมือนกัน <c oughs> ก็คือรักสุขเกลียดทุกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแม่เขาเสียลูกผู้ชายคนนั้นก็จะรู้สึกเสียใจเห็นใจเหมือนก็นที่เราเห็นใจเวลาเราดูภาพ น, นี่นะแล้วทําให้ความเห็นใจก็ทําให้มันมีความสุขบางอย่างที่อยากจะไปขอโทษนะแต่หลายคนเนี่ยเขาขอเขา แล้วก็ไปหาแม่ของเด็กเนี่ยเขายังสวมหัวโขนของหมออยู่แล้วเขาจะรู้สึกว่าแม่เนี่ยคือญาติมันเกิดมันเกิดความมันเกิดช่องว่างระหว่างหมอกับญาติเป็นคนละพวกกันหมอกับคนไข้นี่คนละพวกกันนะในยาม น, นั้นเนี่ยความเป็นหมอเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องปกป้องตัวเองแต่ไหาตอนนั้นเนี่ยใจเขาตอนนั้นเนี่ยจะจะปิดรับหรือจะไม่ไม่ ไม่รับรู้ความเศร้าความเสียใจของแม่เขาจะนึกถึงแต่ตัวเองว่าทำยังไงเขาจึงจะรักษาตัวเองไม่ให้ถูกฟ้องนะตรงนี้นะเทตมาหมายถึงว่ากําแพงที่ปิดกั้นไม่ให้เราเนี่ยไปรับรู้ความสุขความทุกข์ของเขานะความเป็นหมอหรือความเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันคือกําแพงที่ทําให้เราเนี่ย มันมันก็เป็นมันก็เป็นขีดมันเป็นกำแพงที่ทำให้ขวางกัน้นเรากับคนอื่นหรือเหมือนกัเส้นที่ขีดเอาไว้ว่าเรากับเขาเป็นคนละพวกกันนะทุกวันนี้เนี่ยหมอจานวนมากเนี่ยจะรู้สึกเป็นคนละพวกกับคนไข้เพราะว่ากลัวถูกฟ้องจะทำอะไรจะต้องระมัดระวังจะทำทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เพื่อเพื่อคนไข้แต่เพื่อเพื่อเพื่อให้ตัวเองไม่ถูกฟ้อง แต่ก็มีบางวันคนที่เขารู้สึกว่าเห็นวิญญาณใจคนไทยมากเพราะตอนนั้นเนี่ยความเป็นมนุษย์ในใจเขาเนี่ยมันมันโดดเด่นกว่าใช่ไหมไอ้คนเราเนี่ยไม่สามารถจะปฏิเสธหัวโคนได้แต่ว่าเราควรจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะวางนะเมื่อไหร่ควรจะใส่เมื่อกีหนาพูดเมื่อวานว่าเวลาเราเจอเวลาอยู่กับพ่อแม่เนี่ยเราควรจะสวมบทลูก ไม่ใช่คนเก่งใช่ไหมเวลาเราอยู่กับสามีเนี่ยเราควรจะสมบทภรรยาไม่ใช่สมบทลูกไม่ใช่แ ม, ม, แม่กับลูกเนี่ยเราคือแม่ไม่ใช่ครูใหญ่ใช่ไหมคืออันนี้แหละที่ถามพูดเราเรียกว่าสมมุตินะแล้ถ้าเราใช้สมมุติเป็นเนี่ยนะมันก็จะเกิดความสมาธิราบลื่น แต่ถ้าเราใช้สมมุติมันไปหรือว่าถูกสมมุติมันใช้เราเนี่ยโอ้นี่แย่เลยนะส่วนใหญ่เนี่ยสมมุติมันใช้เราคือเราไปยึดติดกับมัน <c oughs> เมื่อเงินนะเงินเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลว <c oughs> นะฮะผู้สานั้นะไม่ปฏิเสธเงินนะ <c oughs> แต่ว่าอย่าให้มันเป็นนายเราถ้าเรามีเงินเรามีบ่าวที่ดีเราก็ใช้ไปเพื่อช่วยเหลือผู้ อ, อ, อ, อ, อื่นหรือเพื่อเลี้ยงตัวให้มีความสุข <c oughs> แต่ปัญหาคือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเงินมันเป็นนายเรา ความคิดก็เหมือนกันนะความคิดเนี่ยเป็นเบาวที่ดีเป็นนายที่เลวหลายคนเนี่ยคิดเก่งจนกระทั่งความคิดมันครอบงําจิตใจเราวางความคิดไม่เป็นความคิดมันสั่งเรามันสั่งให้ด่าเราก็ด่านะมันสั่งให้เราโกรธเราก็โกรธนะมันบอกมันกูจะคิดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เลยนอนไม่หลับเราบอกอยากจะหลับแต่ความคิดมันไม่ยอมเนะมันบอกขอขอคิดต่อขอคิดต่อ แล้วมันก็สั่งให้เราเนี่ยนะสั่งสมองของเราให้คิดคิดคคิดจนเราหยุดไม่ได้ไม่ตายจากไวรัสเนี่ยเวลามันเข้ามาอยู่ในร่างกายเราอยู่ในเซลล์เราเนี่ยไวรัสเนี่ยมันจะสั่งเซลล์เรานะให้ผลิตให้ผลิตไวรัสออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆนะความคิดเนี่ยมันเป็นไวรัสได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ทันมันเนี่ยนะมันจะสั่งให้สมองเราคิดคิดคิดคิดไม่หยุดความคิดน่จึงเป็นบ่าวที่ดี เป็นนายที่เลวนะต้องต้องระวังมันมีเส้นแบ่งที่บางๆนะระหว่างบ่าวที่ดีกับนายที่เลวแต่ผลที่ผลมันแตกต่างกันมากเลยถ้าเป็นบ่าวที่ดีเนี่ยเราคิดเมื่อเราต้องการคิดและเราหยุดคิดเมื่อเราอยากจะพักแต่ถ้ามันเป็นนายที่เลวถ้ามันเป็นนายราน้โอมันพาเราเขาล็กกระพงมันพาเราทำร้ายคนอื่นมันพาเราป้นมันพาเราขโมยหรือมันพาเราทาร้ายตัวเองฆ่าตัวตาย คนฆ่าตัวตายเนี่ยมันต้องมีความคิดสั่งใช่มว่าเอ้ยโดดโดดตึกดีกว่าโดดสะพานดีกว่าเมื่อวันซืนเดินผ่านสะพานอะไรนะผ่านสะพานแล้วไรนี่แปลกมากเลยทําไมมันมีมันมีมันมีตะขันมีตะไคร้ผู้คนตะไคร้เต็มหมดเลยอยู่บนสูงประมาณสองเมตรแต่ถามถามพวกผู้รู้ที่นี่เขาบอกเนี่ยต้องกันไม่คนโดดได้คนโดดโดดโดดสะพานข่าตัวตาย ถามว่าอะไรอะไรสั่งให้ให้โดดความคิดใช่ไหมไม่มีใครสั่งพ่อไม่ได้สั่งแม่ก็ไม่ได้สั่งเจ้านายไม่ได้สั่งแต่ความคิดมันสั่งให้โดดก็โดดออหัวโขนก็เหมือนกันหัวโขนเนี่ยมันเป็นหรือสมมุติเนี่ยมันเป็นบ่าวที่ดีเป็นนายที่เลวถ้ากลับมาที่เรื่องของการรับรู้ความรู้สึกเนี่ยการรับรู้ความรู้สึกของผู้คนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของคนเราซึ่งมีตั้งแต่เกิดนะ แต่ว่าอพอเราพอเราพอเรามีความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเรียกว่าไปยุติดในในตัวตนใหม่ซึ่งอัตมาใช้คำว่าหัวโขนนะแต่ว่าเมื่อแต่ก็ตามที่เรามีสตินะ เมื่อกาที่เรามีสติเนี่ยเราก็จะไม่เป็นท่ายของโัวขนนั้นเราจะกลับมาเป็นมนุษย์แล้วเมื่อเรากลับเป็นมนุษย์เนี่ย <c oughs> เราจะรับรู้ถึงความรู้สึกของคนที่อยู่รอบข้างเราได้ง่ายขึ้นไม่ใช่คนใกลตัวเท่านั้นแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเช่นพ่อแม่ลูกสามีภรรยาแล้วคนที่ทุกข์เนี่ยนะเราทราบไหมฮะคนที่ทุกข์เนี่ยนะ ไม่ว่าทุกกายหรือทุกใจเนี่ยอย่างแรกที่เขาต้องการเนี่ยคืออะไรทราบไหมครับ ใ, ใกล้เคียงคนที่เข้าใจเขา <c oughs> เข้าใจความรู้สึกเขาอาตมาเราแล้วนะเคยอาตมาอบรมเพเชิงของตาสงบเนี่ยบ่อยมากนะแล้วก็วันที่สามเนี่ยคือวันสุดท้ายก็จะให้คนที่เข้าร่วมเนี่ยไปเยี่ยมคนไข้ คนไข้หนักนะเนี่มันต้องเป็นคนไข้ใกล้าตายไปได้ปกดิไปกันสองคนก็มีอีกคู่หนึ่งเนี่ยเข้าไปเจอคนไข้คนหนึ่งเป็นผู้ชายเป็นลุงเป็นคนลุงแกปวดที่ทวารแกปวดมากจนแกแกแกคลางกันนะข้างเตียงก็มีลูกชายอยู่จิตอาสาเนี่ยเมื่อไปถึงเนี่ยก็ไปแนะนำตัวว่าเป็นใคร นะอันนี้ที่ลรงพยาบาลต่างจัว่านะั้นไม่ใช่กรุงเทพนะกรุงเทพเนี่ยมันจะมันจะยากหน่อยแนะนําตัวว่าเป็นใครแล้วคําถามต่อมาก็คือเธอถามว่าคือเธอได้ยินเสียงร้องคุณลุงว่าปวดเธอถามว่าคุณลุงคะที่ลุงว่าปวดเนี่ยปวดอย่างไรคะคนไข้นี่นะชอบมากเลยโดนใจมากใ น, ในคาถามหรือประโยคเนี่ยทําไม แกบอกว่าไม่เคยมีใครถามประโยคนี้เลยไม่เคยมีใครถามแล้วแกรู้สึกอย่างไรหมอและพยาบาลมาก็ถามก็เอาไถ้แต่ยาลูกชายก็บอกว่าให้อดทน <c oughs> น, นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนถามว่า <c oughs> ปวดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเพียงแค่นี้เนี่ยเขารู้สึกดีขึ้นแล้วและตะมาเนี่ยพบว่า จิตอาสาเนี่ยเวลาไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยคนแล้วคนเล่าคู่แล้ ว, ค, ลวคู่เราเนี่ยก็จะพบว่าเขาจะรู้สึกรู้สึกอ่าใกล้ชิดกับคนไข้เนี่ยและสามารถจะรู้จักคนไข้ได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาสี่สิบห้าทีเนี่ยคนไข้จะบอกจิตอาสามากมาย ขณะที่พยาบาลอยู่มาสองอาทิตย์ยังไม่ค่อยรู้จักคนไข้เลยคนไข้ไม่ค่อยบอกอะไรเลยแต่ว่าจิตอาสามาแค่มาแค่ครั้งแรกแล้วอยวนแค่สี่สิบห้านาทีคนไข้จิตอาสาเนี่ยรู้จักคนไข้มากมายเยลยเพราะอะไรเพราะว่าไปแล้วเป็นเพื่อนแล้วก็ไปช่วยรับรู้ความทุกข์ของเขาเขาก็เลยรู้สึกเป็นมิตรแล้วเขาก็มีอะไรเขาก็เล่านะ อาตมาเคยให้พยาบาลเนี่ยซึ่งมาอบรมอาตมาเนี่ยไปเยี่ยมคนไข้ในโรงพยาบาลหนตัวเธอไปสี่ห้าจีเทอรกลับมาแล้วก็มีคนหนก็เล่าว่ารู้สึกว่คนไข้เหงาวิทยากรก็ถามคนพยาบาลคนนั้นว่าและตอนที่เป็นพยาบาลเนี่ยก่อนหน้านีเนเเาา้เคยสังเกตไหมว่าเคยสังเกตไหมว่าคนไข้เหงาหรวาไม่เคยสังเกตเลย แต่พอถอดหมวกพยาบาลออกเนี่ยเป็นคนธรรมดาเนี่ยรู้ได้เลยว่าคนไข้เหงา mm hmm. เห็นไหมฮะมันแปลกไหมทำไมตอนเป็นพยาบาลเนี่ยไม่สังเกตเลยคนไข้เหงาเพราะอะไรฮะอยู่ในหน้าที่อยู่ในหน้าที่นนทแล้วก็สนใจแต่เรื่องร่างสนใจแต่เรื่องร่างกาย mm hmm. เป็นยังไงเรื่องความดันเรื่องชีพจรนะ mm hmm. บางทีหน้าที่การงานมันก็ทำให้เราเนี่ย <c oughs> ลเลย <c oughs> สิ่งหนึ่งไปคือเรื่อ ง, องจิตใจ เน่นเพียงแค่ถอนหมดพยาบาลออกนะไปประจิตอาสาเนี่ยการรับรู้มันเปลี่ยนเลยนะแลฉนั้นเราเนี่ยนะบางทเีเราเป็นพ่อเป็นแม่บางทีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะสามารถที่จะออถอดวอัวคขนบางอย่างเนี่ย เราจะรับรู้ถึงความรู้สึกของคนรอบข้างเราได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะมีความเห็นในกเห็นใจกันกันมากอาตมาได้บอกวเวลาธรรมชาติของมนุษย์เรานะมันมีความสามารถที่จะรักมีความสามารถที่จะเมตตามันมีตั้งแต่เล็กนะความเมตตาไม่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาสะสมนะเคยเ ม, ม, มีการ ทดลองนะเด็กเนี่ยประมาณสักเด็กเด็กทารกประมาณสัก ส, สิบเดือนประมาณเนี่ยนะที่พอจะพอจะโตทั้งหน่อยเวลาเด็กเวลาเวลาเด็กคนอื่นในในวอร์เนี่ยร้องนะร้องไห้นะเด็กเนี่ยนะจะรู้สึกเป็นทุกข์มากนะ ก็จะกระสับกระส่ายไม่ใช่เพราะรำคาญเสียงนะแต่เพราะเด็กเนี่ยอยากจะไปช่วย <c oughs> คือมันมีความแตกต่างระหว่างการกระสับกระส่ายเพราะรังเกียจเสียงกับความรู้สึกว่ากระสับกระส่ายเพราะอยากไปช่วย <c oughs> เด็กเนี่ยจะวิ่งเขาเด็กพยายามจะมองไปที่ต้นเสียงแล้วก็พยายามที่จะ <c oughs> พยายามที่จะคลานหรืออะไรก็ตามที่จะไปไปไ ป, ไปหาเด็กที่เป็นต้นต่อของเสียงร้องนั้น แต่ถ้าเอาเสียงร้องแต่ถ้าอัดเสียงร้องของเด็กคนนี้สมมติเด็กชายเด็กชายก่อนเนี่ยอัดเสียงร้องของเขาเนี่ยแล้วก็เปิดให้เขาฟังเนี่ยนะเขาจะเฉยๆมากเลยเ็าะจะไม่มีอาการปฏิกิริยเาเมื่อกลัววนะ่านั่นคือเสียงเขานะเด็กเนี่ยนะเวลาใหม่ๆในสักสิบแปเดือนหรือหรือสองสองปีเนี่ยสมมว่าเราอยากจะเขากาลังเล่นอะไรสักอย่างเนี่ย แล้วเราขอเขาเนี่ยเขาจะให้นะแล้วก็จะให้สิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดของอาจารย์เรานะแต่อาจจะไม่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่สุดสำหรับเราก็ได้เช่นเป็นของเล่นน่ะเขาคิดว่าของเล่นนี่ดีที่สุดของของเขาเขาก็ให้แต่สำหรับเราเนี่ยอาจจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าแต่ว่ายัางไรก็ตามเนี่ยเด็กเขามีกรุณาแ <Okay. S 1> นะเพรามันมันเป็นเครื่องชี้ว่าคนเราเนี่มันมีเมตตากรุณายอยู่ในใจมาตั้งแต่เกิด ที่จริงไม่ใช่คนเท่านั้นนะสัตว์ก็มีนะแต่ว่าอันนี้ค่อยไปว่าอีกทีไปเปิดในย t u b e ได้นะมันจะมีตัวอย่างมากมายของสัตว์ที่มีแม่ตานะเช่นก็จริงจริสะพานปลในสะพานที่ปาเว่าทำไมนะที่เจ้าของโดดนักบวชโดด ม, ม, ม้าโดดตามอ๋ออันนั้นเป็นความพักติีซื่อสัตว์อืม แต่แม่เขาว่าเช่นเคยเห็นไหมไอเสือเนี่ยมันกัดมันกัดแม่ลิงบาบูนแล้วมันเหลือแต่ลูกเสือทั้นี้มันกัดลูกด้วยนะเอาไปเลี้ยงแล้วมันกลับกลัวกลับกลัวลูกนะกลัวลูกลิงนะมันไม่คยมันไม่กล้าทําอะไรเลยมันเพิ่งฆ่าแม่มันหยงๆนะเพื่อกินนะแต่มันเจอลูกเนี่ยมันไม่ฆ่านะมันเลี้ยงเอาไปเลี้ยงนะความเป็นแม่นะ เมื่อเมื่อสักสองสองปีก่อนเนี่ยประมาณวันคริสต์มาสเนี่ยมันมีข่าวที่ไอเจนินนามันมีคนทิ้งเด็กเอาไว้ที่สวนสาธารณะยี่สิบสี่ยิบสี่ธันวานะหนาวมากเลยปอกว่าแม่หมาเนี่ยตัวหนึ่งมันเดินเห็นมันลากไปมันลากไปประมาณสองสามรอเมตรนะเพื่อไปรางของมันแล้วมันก็ไปนอนกกับลูกของมัน รู้ว่าดูแต่ก็ว่าลากเพราะหนึ่งมันมีรอยสองเด็กเนี่ยเนื้อตัวถลอกใช่ไหมโอคือเนี่ยสันเนี่ยนะมันมันมีเมตตากรุณามันคือมันมันไม่มีเส้นแบ่งเลยนะว่าไอ้นี่คนนี่กูหมานะมันไม่มีอ่ะมันมันไปเพราะนั้เนี่ยเมตตากรุณาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งมีแล้วในใจเราเพียงแต่ว่าทำไงจะให้เรามันแสดงออกแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าคนเราเนี่ยมันมีทั้ง พลังบวกและพลังลบเรามีทั้งความเมตตาและความเห็นแั่ตัวเราต้องยอมรับนะแล้วคนเราเนี่ยนะสามารถที่จะแสดงออกต่างกันโดยที่เจ้าตัวจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้เขาเคยมีการที่อเมริกามันมีสมาคมผู้สูงอายุนะ เขาต้องการต้องการทนายความเนี่ยมาช่วยเดินเรื่อง <c oughs> เพื่อช่วยเหลือสมาชิกซึ่งเป็นคนแก่สูงอายุและไม่ค่อยมีเงินผู้จัด ก, การเนี่ยก็ส่งคนเนี่ยไปไปติดต่อทนายความในอเมริกาอใ น, นเรื่องนี้เกิดขึ้นในอเมริกาไปขอให้ทนายความมาช่วยไปขอให้ทนายความเนี่ยช่วยลด ค่าว่าความให้เหลือชั่วโมงละสามสิบดอลลาร์ส่วนใหญ่ปฏิเสธเพราะว่าชั่วโมงหนึ่งเขาเนี่ยคือร้อยดอลลาร์ทีแรกผู้จัด ก, การก็ถอดใจนะตอนหลังเขาเอาใหม่ให้ไปถามใหม่บอกว่าเนี่ยขอให้มาช่วยว่าความเป็นจิตอาสาให้กับพวกนี้ได้ไหมส่วนใหญ่ยอมไม่แปลกไหม 30ดอลลาร์เนี่ยไม่เอาแต่พอบอกขอ้ว่าความฟีๆเนี่ยเอาแต่ว่าอะไรนะคือว่าคนเราเนี่ยทนายความมันมีอยู่สองฐานะสองบทบาทฐานะหนึ่งเนี่ยคิดเรื่องเกัเรื่องทอง30ิดอลลาร์มันตามไปแต่อีกแง่นี่เขามีความเป็นมนุษย์นะเขาถ้าใครมาขอเขาช่วยเขาก็พร้อมจะช่วยอยู่ที่ว่าคุณจะขอเขายังไงคุณอ p p r o a c h เขายังไงคุณอพโพบอกขอขอลด ขอลดค่าค่าค่าธรรมเนียมได้ไหมเขาบอกขาดทุนแต่คุณบอกขอให้มาช่วยคนที่เดือดร้ดดอนเนี่ยเขาช่วยคนเรามันมีสองสองบทบาทนะเอมันมีมันมีสองบทบาทสองบุมหรือว่าสองสองสององค์ก็ได้หรือว่าคุณจะเข้าอง ม, ม, มัไหนใช่มอันนี้นาเป็นนะคะคือถ้านาทํางานบริษัทเนี่ย นาชาต์าชาตสูงเนาะแต่ทําแบบใบใสใหญ่ๆแล้วต่อเนี่ยน่าไม่ทําแต่น่าทํางานให้ฟรีนี่แต่เด็กมีคุกก็เด็กเี่รติติดคุบถ้าอย่างงั้รู้สึกว่าคือเหมือนกับเออมันก็เห็นตัวเองตอนเนี้ยคะ่ะ <c oughs> ใช่ค่ะคือคนเราเนี่ยในแง่หนึ่งมันคิดเรื่อง ก, กําไรขาดทุนในแง่หนึ่งนะเวลาเราซื้อของอะไรก็อยากซื้อของถูก เวลาเราขายอะไรก็อยากจะขายแพงใช่ไหมฮะในมุมหนึ่งของเราเนี่ยก็คือความเป็นมนุษย์นะที่พร้อมจะช่วยเหลือนะพอถึงถึงมุมนี้เนี่ยเราพร้อมจะให้โดยที่เราไม่สนใจกําไรขาดทุนเลยนะตัวอย่างที่อาตมาเล่าวันสองวันก่อนก็เหมือนกันนะคือที่เมื่อเลาเมื่อวานเนี่ยว่าเอา่อคนเรา ม, มีทั้งพลังบวกพลังลบใช่ไหมอาตมาเล่าถึงตัวอย่างของคนขายพอค้าที่จัดจุกจักนะ นะที่เขาเห็นแกตัวเอาป้ายมาวางปิดหน้าร้านของอีกคนหนึ่งแต่พอคนนั้นเนี่ยแสด ง, งความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเอาดอกเอาผลไม้ไปให้ทั้งที่ไม่คยรู้จักกันแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นเพื่อนกันพอกลายเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยเขาก็เอาป้ายที่ที่วางขวางร้านเนี่ยของเพื่อนบ้านเนี่ยไปเก็บ พอไม่อยากจะรบกวนหรือเหมือนกับที่อาตมาเล่าเรื่องคนขับรถเนี่ยที่ถูกปาดหน้าแล้วคนถูกปาดหน้านี้ก็ตามล่าจะเข้าไปดา่าอีกฝ่ายนั้นก็เตรียมพร้อมจะที่จะด่ากลับเหมือนกันแต่พอคนแรกเนี่ยแทนที่จะดา่าก็บอกว่าขอโทษไอ้คนที่สองแล้วเนี่ยซึ่งพร้อมจะด่ายอยู่แล้วก็ตะโกนกลับไปว่าขอโทษเหมือนกันคือ คือคนเรามันมีทั้งพลังบวกและพลังลบในตัวพลังบวกพลังลบเนี่ยมันจออมาอย่างไรเนี่ยส่วนนึงก็ขึ้นอยู่กับท่าทีของอีกคนหนึ่งด้วยใช่ไหมถ้าเขาดีมาเราก็ดีกลับแต่ถ้าเขาแรงมาร้ายมาเราก็ร้ายกลับนะปัญหาคือว่า <c oughs> เราต้องรู้จักควบคุมพลังลบแล้วก็ใช้พลังบวกให้เป็น กำลังลูกก็มีประโยชน์นะความกโกรธความโลภ ก, ก็มีประโยชน์นะถ้าคุณใช้เป็นนะพระพระริยเจ้าหลายท่านเนี่ยท่านบรรลุธรรมได้เพราะอะไรเพราะโลกเนะพราะตัณหาขณะที่พิกาิศรษฐีเนี่ยเป็นโสดาบันนะแต่สอนลูกไม่ได้นะในพแะไตรปิฎกจะมีเรื่องราวของโสดาบันที่เอารูปไม่อยู่นะ ก็เลยจ้างลูกให้ไปฟังทำแบ่ผู้เจ้าแกอยากได้เงินเนาแกก็ไปฟังแต่ไม่ฟังนะก็ไปแค่แค่ตัวเข้าไปอยู่แต่ว่าใจก็ลอยกลับมาพ่อถามว่าผู้เจ้าเทศว่าอะไรไม่รู้แต่เอาเงินมาแล้ว <c oughs> ใช่ไไปฟังไปแล้วเอาเงินมาแล้นที่พินนพ ก, ก็ให้เงินแต่ว่าครั้งต่อไปบอกว่าวันต่อแบบว่าไปฟังนะ แล้วให้มันเล่าว่าฟังอะไรพู้เจ้าเทศอะไรอยากได้เงินใช่ไหมก็ไปนะไปแล้วก็ตั้งใจฟังพอตั้งใจฟังปุ๊บเนี่ยปิ้งเลยบรรลุธรรมเลยกลับมาพ่อก็ให้เงินแม่เอาเงินและ้ะเพราะว่าได้สิ่งที่ประเสริฐกว่าคือเนี่ยนะบรรลุธรรมเพราะตัณหานะหรือเพราะนันท้านเนี่ยนะ จะแต่งงานอยู่แล้วนะพุทธเจ้าบอกถือบาตไปส่งที่วัดหน่อยพอ พ, น, น, พนันทพนันทะเนี่ยเป็นหลานพุทธเจ้าเป็นลูกพุ่ลูกน้องไปถึงไปถึงวัดนะพุทธเจ้าบอกว่าพุทธเจ้าก็จับบวชเลยจับบวชที่ก็าคิดถึงคิดถึงคู่มัน่นพุทธเจ้าก็เลยบออุบายให้เห็นนิมิตของเทวดาเทพธิดาโอ้เทพธิดาอยากเยอะมากพนันทะอยากได้ถามว่าทําไงถึงจะได้ ผู้เจ้าบอกต้องปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิเพอยากได้เทวิตดานะนั่งไปนั่งไปก็ถูกคนนินทาถูกพระเจ้ากันนินทาเนี่ยนี่ถูกผู้เจ้าจ้างมาเสียหน้าอัตตาขึ้นเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องทําให้ดีกว่านี้เพรารู้สึกว่าเสียหน้าไอ้เสียหน้านี่คือมานะ์ตัวเลยตั้งใจปฏิบัติแล้วนะพอรู้รมเลยมันเป็นพระอรหันต์อันนี้ลว่า บรรธรรมเป็เพราะอะไรได้เพราะทั้งตัณหาแล้วก็มานณะอย่างเงีคือเราต้องใช้ให้เป็นนะไอ้ผู้เนี่ยพลังลบเนี่ยถ้าคุณใชใ้เป็นเนี่ยมันก็ดีนะแต่ถ้าคุณใช้ไม่เป็นนะมันก็ใช้คุณแล้วพาไป <c oughs> อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้พวกเราทำความเข้าใจเกี่ยวเรื่องพลังบวกและพลังลบหรือว่ากุศลธรรมและอกุศลธรรมในใจเรานะ ส่วนที่เป็กุศลส่วนที่เป็กุศลธรรมก็พยายามลดและใช้มันให้และใช้มันถ้ามันยังไม่หายังไม่หมดก็รู้จักใช้มันควบคุมมันส่วนพลังบวกหรือกุศลธรรมก็พยายามเพิ่มพูนให้มากขึ้นนะแล้วก็การเพิ่มพูนมากขึ้นเนี่ยธรรมาก็เล่าไปแล้วเมื่อวานนะการมีสติก็ดีหรือว่าการการมองแง่บวกก็ดีอีกอันนึงคือใช้มัน บ, บ่อย พลังบงคุณใช้ไบ่อยเนี่ยมันจะงอกง า, ม, ม, ม, ม, กามเมื่อกล้ามเนื้อคุณถ้าคุณใช้งานไปบ่อยกลามเนื้อจะแข็งแรงใช่ไหมถ้ากล้ามเนื้อคุณมีแต่คุณไม่ใช้เนี่ยมันก็รีบพลังบวญคุณต้องใช้ใบ่อยเช่นการให้ทานการเป็นจิตอาสาการพูดดีพูดเพราะพิยวัจจามันมีมันมีพลังบุญถ้ามัอยู่ในใจนะเราเลือกพรหมวิหารสีเมตตากรุณาโมทิตเบกขาแต่มีแล้วต้องออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ อ น, นัลเลวะสังขาวัตถุสี่ทานปิยวาจาอจจจริรยาสมานตะตาเมตตาเนี่ยถ้าไม่ออกมาเป็นการกระทํานะถือว่าไม่ครบถ้วนนะแล้วว่าทําไม่ออกมาเป็นการกระทำ น, ะทนนะออันรรนะมันจะฝ่อไปเรื่อยๆถือแม้่คุณจะแผ่เมตตาทุกวันทุกวันนะแต่คุณไม่กระทํานะแล้วยังเกลียดเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างหน้าอยู่ติดๆกันนะเมตตาก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาไนดะ้ หลายคนเป็นนะสับเพสัตตา <S <S <S แผลไม่ตาุณ น, นั้โลกเลยโยกันเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างติดกันเนี่ยมันเอามันเอาขยะมาขวางขวางาเอาไอ้หน้าบ้านเป็นประจําเรื่องนี้นมีตัวอย่างนะข้างบ้านติดกันนะเป็นเป็นบ้านที่กำลังตึกกำลังที่กำลังก่อสร้างนะคนงานนี่นะชอบทิ้งขยะลงมาแล้วขยะมาอยู่ไหนมันก็มาโผล่ที่สนามหญ้านในบ้านของเขา เขาก็ไปไปไ ป, ไปบ่นไปโวยวายก็ไม่เกิดผลขู่ว่าจะไปฟ้องตํารวจมันก็ยิ่งทิ้งมาใหญ่เลย<ม>เ้าโมัโหมากไปเล่าไปเล่า เ, าเาพื่อนเพื่อนของเพื่อนบอกว<ม>่าทําไมคุณไม่เวลามีอะไรแม่เอาของไปให้เขาอ่ะปีใหม่สงการานเอาของไปให้เขาหน<ม>ึ่งใช่ไห ม, มเขาก็ทํานะเอาของไปให้เจอกันปากซอยก็ทับทายกันนะ<ม>สงการานปีใหม่นะ<ม>วันเกิดก็ไปให้ พอเป็นเพื่อนกันแล้วนะคุ้นเคยกันแล้วนะขยะหายเพราะอะไรฮะเป็นเพื่อนกันแล้วนะพอความเป็นเพื่อนมันทําให้พลังบวกในใจของพวกคนงานก่อสร้างมันเกิดขึ้นจะทําอะไรก็เก่งใจจะโยนก็เก่งใจใช่ไหมฮะในส่วนคนทําเนี่ยนะในส่วนคนที่เอาของไปให้เนี่ยเขาก็จะเกิดศรัทธาเชื่อมั่นในความเมตตาในพลังของเมตตากรุณา ในพลังของทานในพลังของปียาวาจารในพลังอจจเจริยามากขึ้นนะเพราะในการที่เราจะเสริมพลังบูตได้เนี่ยเพียงแค่นึกเอาไม่พอนะนึกเอาก็ช่วยได้เยอะนะแต่ว่ามันจะดีมากขึ้นถ้าเราทำด้วยเพราะเราทำเนี่ยมันเกิดเป็นแอคชั่นขึ้นมาแต่ด้วยทานก็ดีด้วยศีลศีลนี่ไม่ได้แปลว่าไม่ทาโน้ตไม่ทานี่เท่านั้นนะศีลยังมีนัยยะแง่บวกด้วย คนไทยเรายังเข้าใจผิดเยอะนะเข้าใจว่าสี่ห้านี่ก็คือหนึ่งไม่ฆ่าไม่ลักขโมยไม่พูดปดใช่ไหมไม่ไม่ไม่ผู้พิจ า, ารณาเนือนั่นแค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือว่าสี่ข้อที่หนึ่งเนี่ยนอกจากคุณไม่ฆ่าแล้วเนี่ยคุณต้องมีแม่ตากรุณาด้วยนอกจากคุณไม่ขโมยแล้วเนี่ยคุณต้องมีสามมาอาชีวะด้วยนอกจากคุณไม่ไม่ไม่ผู้พิาการณแล้วเนี่ยคุณต้องมีสัทธารสรรดด้คือความพอใจในคู่ของตัวด้วย นอกจากคุณไม่โกหกแล้วเดี๋ยวคุณต้องมีสัจจะด้วยนอกจากคุณไม่กินเหล้าเมายาแล้วคุณต้องมีสติ ด, ด้วย<ม>ไอส่วนที่เป็นบวกครึ่งหลังเนี่ยนะบางทีเราเรียกเบญจธรรมแต่จริงก็คือเบญจศีลนั่นแหละแล้วคนไทยเราเรียนแต่ความไม่ไม่ไ ม, ไม่ใช่ไหมแต่ส่วนที่เป็นบวญนี่เราเราไม่ได้สอนกันเลยแต่ที่จริงมันเป็นศีล น, นะแล้วต้าคุณทําบ่อยๆทำไบ่อยๆในพลังบวญในใจ <c oughs> ก็จะงามมากขึ้น <c oughs> นะงันก็แล้ว เริ่มตนที่เ็้อราที่บ้านะาก็ต้องพยายามทาอยู่เรื่อยๆ <c oughs> แล้วเริ่มต้นจากลูกเนี่ยกับลูกพยายามพูดกับลูกด้วยความจริงได้ไห ม, มใช่ไห ม, ม <c oughs> ใช่ถ้มท่านจะกหก ล, ลูกเราพูดกับลูกความจริงทำได้ไหมทำยังไงหลวงหลวงพี่พูดเรื่องนี้หายกวัดลูกนิดนึงวัดจะยืนได้ไหมเอเชิญเช อในหลวงพี่พูดถึง <c oughs> กุศลจิตก็อกุศลแจิตไปนาก็อยากให้เราเห็นว่าเนี่ยนี่คือมนุษย์ใช่ไหมฮะความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่นับถึงไม่นับถึงความเป็นกลางเนี่ย <c oughs> พฤติกรรมมันก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทใช่ไหมฮะ <c oughs> พฤติกรรมแบบพฤติกรรมที่เป็นลบคือไงบ้างคะ อย่างที่นี่ในน่าไม่ได้พูดถึงที่นี่นะคะแต่ว่าเอาตั้งแต่ว่าตอนที่ไปเดินธรรมยาตราเนี่ยบางทีก็จะเจอแม่ครัวที่ดุมากหรือว่าอย่างไปที่วัดหนึ่งแม่ครัวดุมากเลยถ้าเป็นหลมงพี่พูดถึงพฤติกรรมที่ออกมาเป็นเชิงเศร้าหรือว่าเขาทุกข์เนี่ยแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็รู้สึกเห็นใจ แต่พฤติกรรมบางอย่างที่เรามักไม่เห็นใจก็คือความโกรธแต่ความจริงความโกรธเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะว่าเขาทุกเพราะว่าเขาทุกคนที่เป็นแม่ครัวที่ดูแลสถานหรือการปฏิบัติธรรมของของผู้คนเยอะขนาดนี้นจริงๆเหนื่อยมากนะฮะเรื่องจริงค่ะเพราะนั้นมันเป็นปกติที่บางทีเราเข้าไปสนทนาเขาแล้วแบบ เขาไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ที่จะคุยกับเราหรือว่าจะมีความสุขอย่างเราแต่ว่าเขาอุทิศตนเยอะมากเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้กินดีอะยงนั้นบางทีเวลาไปเจอแล้วเขามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจริงๆต้องหินใจมากเลยว่าคนที่โกรธเนี่ยบางทีเนี่ยข้างในเนี่ยทุกข์มากเลยเพราะนั้น <c oughs> คนที่แสดงพฤติกรรมลบเช่นโกรธ โมโหอิจฉาขี้เกียจเล่นเกมอะไรอะไรก็ตามน ะ, ลนะแล้วพฤติกรรมเชิงบวกเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างที่หลวงพี่พูดถึงก็คือมีเมตตาโกโราุณาใช่ไหมฮะ <Yes. S 2> ยิยม้มแย้ม พยันซื่อสัตย์อันนี้ก็มีขโมยด้วยอะอ่าซื่อสัตย์ถ้าเราถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนอย่างที่เราบอกว่าถ้าเรารู้เข้าไปถึงในใจเขาเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันสะท้อน ใจของเขาสภาวะจิตของเขาในตอนนั้นพฤติกรรมที่เป็นลบเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเป็นไงคะผู ก, ก, ก, ก, กใช่ข้างในเขาเนี่ย เ, เขาแยก เ, เขาเป็นผูกเขารู้สึกไม่โอเคเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ติดขัดอยู่แต่ในขณะที่คนที่ทําพฤติกรรมที่เป็นบวกเนี่ยแสดงว่าในใจเขาเป็นไงคะคใช่ใจก็เป็นดอกไม้ <c oughs> คราวนี้ยมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยมีวิธีการที่เมื่อเจอพฤติกรรมเป็นลบแล้วสิ่งที่เราทําก็คือเราเฝ้าแก้ไขที่พฤติกรรมเราจ้องไปที่พฤติกรรมแล้วเราก็จัดการพฤติกรรมถูกไหมคะเวลาเด็กขโมยของเราจัดการพฤติกรรมด้วยไงใช่ตีเวลาเด็กขี้เกียจเราเราเราอลูกเล่นเกียร์ไม่ทำยังไงบ่นา อย่างเวลาลูกเล่นเกมเนี่ยคือจริงๆเขาทําไมเขาถึงเล่นเกมเขาเบือเขาไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรดีแล้วเขาก็เลยเล่นเกมทีนี้พอตอนที่เขาออกจากเกมมาเพื่อกินข้าวกับพ่อแม่พ่อแม่ใช้เวลาในการกินข้าวเป็นไงคะใช่พอออกมาปึ๊ก กินข้าวพอ น, นั่งชื้อไปวันวันเราแต่เล่นเกมพะเล่นที่ไหนเนี่ยอะไรแล้วเราก็เทศยาวเลยและคิดว่าเขาจะกินข้าวอร่อยไหมคะแล้วเขาจะทำไงดีคะ่ะใช่โูดเกมดาก่าคูณไม่ได้เล่นเกมดีกว่าเกมด่าไม่ได้แม่ด่านีทั้งหูทวนลมแล้วก็ใจก็จ้องหนวเกมเพราะฉะนั้นเวลาลูกออกมาจากเกมเนี่ยเราต้องเป็นน้ําเย็นมากๆ อ้าวจริงๆสิ่งมีชีวิตอนะมันเอาชนะเราไม่ได้หรอออกมากินข้าวนี่นะคุยเรื่องอื่นหาอะไรเล่าให้ฟังหรือว่าชื่นชมสิ่งที่เขามีสิ่งที่ดีคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้จนกระทั่งแบบเขารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กับมนุษย์เนี่ยมันมีความสุขเนาะไม่ใช่ออกมาอยู่กับมนุษย์มนุษย์เอาแต่ด่าๆๆแล้วรู้สึกไปอยู่กับสิ่งไม่มีชีวิตดีกว่าเพราะฉะนั้น <c oughs> คนโดยส่วนใหญ่เนะี่ย จัดการกับพฤติกรรมเชิงลบด้วยการทําพื่สิ่งบางอย่างเช่นด่าหรือโมโหกับหรือลงโทษเท่ยังไม่ได้หมายถึ้าหลวงป่เข้าใจไหมก็คือหรือว่าหรือว่าเพิกเฉย เพรายคือมึนนะนะมึนทำมึนมนตึงเหรมึนตึงเวลาที่เราใช้พฤติกรรมแบบนี้ก็ขอให้เราได้รู้ว่าในขณะที่เราทำพฤติกรรมแบบเนี้ยเราเห็นจิตของเราไหมจิตของเราเป็นกุศลหรืออกุศลอ้าวลุ้นลุ้นอะไร อย่างเมื่อเช้าที่หลวงพี่พูดว่าลบเจอกันลบอะ่ะมันไม่ใช่สมการคณิตศาสตร์นะคะจะเจ้ากันมาเป็นบวกเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเชิงลบไม่สามารถแก้ได้ด้วยพฤติกรรมเชิงลบเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปฏิยาคื อ, อใช่ปลุกเร้าอัดตาให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็พาลงทำยังไงสิ่งที่ต้องทําต้องทําที่ไหนฮะ อันนั่นดีทำทำที่นั้นดีแล้วคนะ่ะทำที่ใจบอกว่าอย่างที่อย่างที่ท่านบอกว่าคนทุก์เนี่ยเขาจะหายก็ เ, เมื่อเราเข้าใจเข้าใจเขาแล้วก็พาใจเขาให้มาเป็นบวกแล้วพาใจเขามาเป็นบวกใจเขาเป็นปกติเขาก็จะแสดงพฤติกรรมที่เป็นปกติอย่างความเข้าใจเนี่ยอย่างเช่นว่า เพิ่งรู้ว่ามีลูกกันเยอะนะฮะเ ด, เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่นาจะพาลูกไปเที่ยวสวนแล้วเราก็เลยไปรับหลานสีคนไอตัวเล็กนาก็นั่งข้างหน้าค่ะแลนะทุกคนก็นั่งข้างหลังแล้วก่อนจะไปเนี่ยตัวเล็กก็บอกว่าอยากกินนมไข่วนะก็ขับรถไปแล้วก็ไปซื้อนมไข่ถุงหนึ่งอะไม่ไดมีนมไข่อยู่ประมาณยี่สบชิ้นก็ซื้อมาสองถุง ตัวเลนะ็กนมันเป็นคนที่เป็นศิลปินนะสุนทรีชีวิตสุน mm hmm. เขาก็จะหยิบหน่มไข่มาสองทิ้งแล้วไปนั่งกินและที่เหลือเขาก็ส่งไปข้างหลังนะคะเากินลเลียนเลี่ยน ก, กินเงินอยู่พอหมดปุ๊บเขาก็บอกว่าเอาอีกแต่อ้อยเข้าปากช้ำไงคะไม่ลยน้อยสข้างหลัง้งหลังก็กวนมากเลยส่งตุงเปล่ามา <c oughs> สองผงค่ะนั้นร้องไห้แต่นาไปไกลแล้วไงเขาก็บอกเขาเขาจ้าอีกเวลาที่เราไม่เข้าใจเด็กเนี่ยเราก็มักจะเขาก็จะมองแงใช่ไหมครัแสดงพฤติกรรม น, นี้เราก็จะเริ่มสอนนะมีสอนอีกมีสอน <laughs> ตอนนั้นเขาพึ่งสามขวบป่ะลูกเข้าใจหน่อยดีไกลแล้ว ได้ผลไหมฮะเออเวลาเราทําอะไรแล้วมันไม่ได้ผลนะต้องหยุดแล้วก็รู้สึกได้ว่าเมื่อกี้มันไม่ได้ผลจะทําอีกไหมไม่จริงเหรอจริงเหรอเพราะว่านายเห็นว่าพฤติกรรมอะไรที่เราทําไม่ได้ผลนะเราก็ทําแล้วนี่เป็นร้อยครั้งเราก็ยังทำใช่ป่ะเพราะว่าก็สอนเขาก็ไม่เราก็เริ่มโกรธ สเตปป์สตกิก็มานี่เฮ้ยเราทําแบบนี้ไม่ได้ถ้าทําแบบเนี้ยมันไม่เวิร์กเพราะเราทํามาตั้งหลายทีแล้วน้าก็จอดรถเลยค่ะเวลาที่เราแก้ปัญหาไม่ถูกเนี่ยบางทีมันมันเหมือนกับตอนที่น้าใส่ของเล่นให้ลูกอ่ะยิ่งเรารู้สึกเสียเวล า, วลายิ่งเรารีบนะฮะ <med up> ความจริงเราผ่านเวลาไปเยอะมากโดยความโกรธแล้วก็การทะเลาะกันแต่ถ้าเรา เราไม่ต้องกลัวว่าเราเสียเวลาแต่เราใช้สติเนี่ยนาก็จอดรถเลยแล้ว ก, ก็หันไปบอกว่ามันอร่อยมากเลยใช่ไ้ยนายอันนี้แหละคือพอเวลาที่เราบอกว่ามันอร่อยมากเนี่ยเราเข้าไปในใจเขานะคือนายน่าไม่ได้พูดเฉยๆนะนากจอดรถแล้วก็หันหน้าไปคุยเขาบอกโอ้โนอร่อยมากเลยใช่ไม่มนายบอกใช่ทำไมคุณซื้อมาปุณได้กินแคสองอันเหรอแม่เข้าใจ เสียดายว่าอยากจะซื้อเลยเนี่ยนี่ก็ไปถ้าถ้าร้านอยู่ตรงนี้ลูกเอากระถุงสิบถุงสิบถุงแล้วหรองานที่หมดหรอหมดโอเคงั้นเดี๋ยวพอเที่ยวเสร็จนะเดี๋ยวเราไปกันหายเงียแล้วมีอีกทีหนึ่งที่เธอทํางานประดิษฐ์ลงมานาะก็เธองานประดิษฐ์ปนนั้นสักสามสี่ขวกเหมือนกันเชาะคนนี้ก็ชอบทํางานศิละปะเขาก็ ทำไอ้ดอกไม้เป็นสีเขียวกับสีชมพูอ่ะแล้วก็หอยันดีเลยนะมาให้คุณย่าที่บ้านคุณย่าก็โอ้โหแกทำเก่งหน้าเลยเนี่ยชื่นใจเนาะพอเช้าลูกคุณยา่ามันก็เอาไปใส่ใจกันแล้วก็วางไว้ที่ทีวีให้คุณยา่าพอว่าเช้าวันรุ่งขึ้นนะได้ยินเสียงร้องอยู่ข้างบนได้ยินเสียงร้องของลูกอยู่ข้างล่าง นก็วิ่งลงมาคุณย่าแกแบบว่าแกชอบชอบดอกไม้นี้มากค่ะแล้วแกก็ไปแยกแยกเป็นสองช่อคือสีเขียวช่อหนึ่งสีชมพูช่อหนึ่งใส่แจกันสองอันแ ล, ลนะอแล้วคิดว่ารู้น่าจะยอมนะคะเชื้อแม่แรงค่ะอัน <c oughs> นั้นก็ลองให้เราก็วิ่งลงมาเราก็บอกว่าเป็นไล่ไปไรทําไมยากทำไมปุ๊นแต่นี่ลองไห้อเลยะแล้วบอกเราก็ยืนดูเราก็บอกว่า <c oughs> ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สลับขอโทษมันทํามาสองช่อแต่ย่าเอามารวมเป็นช่อเดียวให้สวยทาไมย่าเอามารวมกันแบบนี้เราบอเราก็ยืนดูเราก็บอกว่ามันก็สวยดีนะลูกไม่เรากเอก็เราก็ลืมตัวเนะนก็ใช้วิธีข้างบนแบบเดิมทําไมอะ่ะแม้ว่ามันก็สวยนะถ้าลูกไม่ชอบนะเดี๋ยวล่อย่ยากลับมาทําไม่ย่าต้องกลับมาทำเดี๋ยวนี้ ยาไปตลาดค่ะเขาอกไม่เป็เอางั้นเดี๋ยวแม่ทําให้ไม่ต้องเป็นยาทำเท่านั้นเพราะยาเป็นคนทํายาต้องเป็นคนแก้เราก็พยายามใช้เหตุผลนะคะเพราะงั้นกับเด็กเนี่ยท่านใช้เป็นเหตุผลเนี่ยอาจจะไม่เวอร์เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้สมองคิดเขาใช้กายกับ <poquito. S 1> <ร><ร> จ, จิตของเขาที่เป็นความรู้สึกแล้วก็คิดตัดสินใจ พานามีสตินะคิดได้ก็เออาในเวร์แล้วก็นั่งลงมาตัวเสมอเขาตามองกับที่เขาแล้วบอกว่าปุ้นนายโกรธมากเลยใช่ปะใช่ลองลองดูดิลูกโกรธแค่ไหนอะ่ะลูกโกรธเท่าลูกบอลบ้านบอลรู้จักรูปบอลบ้านบอลไหมรู้รู้จักลูกโป่งไหมรู้รู้จักลูกบอลลูนปะรู้ลูกโกรธเท่าไหร่อ่ะ บอลลูนพอพูดว่าบอลลูนเสร็จนะฮะเธอก็องก็ออกเลยค่ะแล้วก็เดินไปแล้วก็ไปเปิดตู้เย็นเทนมกินแล้วนูนก็นั่งอยู่แล้วนะก็มองตามแล้วมันหายแล้วหวะอุตส่าห์อธิบายตั้งนานจริงน ะ, ะถ้าเกิดเราเราใช้วิธีการที่ผิดเนี่ยเราจะไมส่สามารถแก้ปัญหาได้เราจะปุ๊กอัตตาเขาเพื่อใหนะ้นันแล้วมันก็จะยื้อกันอยู่นานมากนละ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเปิดจิตของเราว่าเออเขาเป็นเด็กเนาะแล้วเราควรจะเข้าใจเขาอ่ะลองคิดว่าถ้าเราทํำดอกไม้มาด้วยความสวยอย่างเงี้ยแล้วเราชอบแล้วก็ย่ามาแก้เนี่ยเขาต้องเสียใจแล้วเขาก็ต้องโกรธเพรเวลาที่เราพาเขามาเนี่ยแล้วก็ให้เขาลงมาที่ใจที่เป็นปกติหรือใจที่เป็นบวกได้เนี่ยใจของเขาจะพาพฤติกรรมเป็นบวกออกมาเองค่ะ เพระนั้นเวลาเวลาที่ใครที่มีพฤติกรรมเชิงลบในอยากให้เราไปหาในพฤติกรรมเชิงลบจริงจงว่าในใจของเขาเนี่ยมันรู้สึกยังไงถ้าเราเข้าใจเข้าไปถึงความรู้สึกของเขาแล้วเราพาใจของเขามาเนี่ยท่านจะไม่ต้องแก้พฤติกรรมเลยค่ะและใช้เวลาน้อยน้อยกว่าปกติมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นสูสตรสังเด อย่างบางคนต้องใช้ยาแรงพอท่านเอแบบที่ตอนเด็่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเพิ่มในแก้มนิดนึงแล้วเพิ่มในในแก้มนิดหนึ่งคือรารลองวิธีแรกแล้วมันไม่เวิร์กแล้วก็ทุกคนทุกตัวิ้มมองหมดแล้วแล้วเราคิดว่าเอ๊ะหรืออาจจะเปลี่ยนวิธีมั้งบางคนเขาไม่รู้ตัวเขากําลังเป็นทุกข์อ่ะแล้วบางทีคือเราเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นทุกข์หรอแต่แต่มองเห็นว่าสิ่งที่เขาทาอย่างนี้ยตลอดไปนี่คือคือคือทำร้าย สุขภาพหรือว่าจิตใจก็แน่นแต่ยาอย่างก็คือคิดคิดอย่างคือเราคิดเองนะมองเห็นอย่างนี้แล้วก็ยาแรงไปเลยตื่นทีเดียวเนี้ยคือ <driveway> แต่ว่าอันเนี้ยก็เลยไม่เศร้าก็เมตตาที่เราใช้มันจะกลับมาทําร้ายตัวเราเองหรือปล่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอืม <kiş. S 1> คื อ, ค, อคือปฏิกิร <Visual> ิยาที่มันตอบกลับมาเนี้ <I say. S 1> <รา>ยมันมากระทบตัวเราแล้วเนี่ยคือคือ ควรจะทำยังไงดีระหว่างเมตตากับอุเบกขาคือเล่อนปอดไปเฉอะอยโอคือถ้าเข้าถึงเรื่องอุเบกขาเนี่หลวพี่อาจจะพูดอุเบกขาได้ดีมากเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอุเบกขากับเพิกเฉยเนี่ยต่างกันแต่มันใกล้กันมันคล้ายกันความรู้สึกใกล้เคียงแต่ความหมายต่างกันใช่ท่นี้ที่นาจะว่าดรายกามันนี้ให้ดูก็คือตัวเราเนี่ยตัวเราที่เป็นคนแก่เนี่ย ที่เราจะไปพยายามดึงเขาจากใจที่เป็นอกุศลให้มาเป็นกุศลเนี่ยใจเราต้องเป็นยังไงค ะ, อ, ะอันนี้ต้องะระมัดระวังมากๆากเมากมางจริงเพราะว่ามันเนียนมากอ่นานายกตัวอย่างว่าการปฏิบัติในเส้นทางเนี้ยของนาการเรียนรู้ในเส้นทางนี้ของนาเนี่สิ่งที่นารู้สึก ว่ามันยากที่สุดคือนาะค่อยๆแก้สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกกับสามีด้วยวิธีการหลายๆอย่า ง, างตามที่ได้แชร์ไปแต่สุดท้ายเนี่ยหกปีแรกของการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้นานา น, า, นารู้สึกว่านายอมรับการเล่นไพ่แบบปังใจจริงๆคิดว่านายที่ยอมรับได้ไหมคะไม่ได้ใช่ นายอนานนายอมนานยอมรับแล้วนะก็ทําพฤติกรรมที่เป็นบวกเมื่อก่อนนี้ในอดีตที่ยังไม่รู้จักเส้นทางนี้ทุกครั้งที่รับโทรศาพาัพท์ป้าอง์ลงเลยค่ะจริงนะฮะจะรู้สึกว่าเขาตา้งยอ่อกลัวมากเลยแล้วเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องขอตังค์เนี่ยน่าจะรู้สึกรู้สึกแย่รู้สึกแย่ แ, ยแต่พอเราเรียนรู้เรื่องเนี้ยไปได้สักห้าปี แล้วนาก็นาก็สัมผัสกับความรักที่เรามีต่อเขามากก็พบว่าคือหลหลักตามากแล้ะนาเป็นเหมือนปลาหลายอย่างมากและปลาความจริงแล้วเนี่ยปลามีแค่เล่นไพ่กับอบตีแม่แต่นอกนั้นของชีวิตปลาเนี่ยปลาเป็นคนที่ดีของสังคมมากๆเป็นคนที่ช่วยคนอื่นเยอะมากเพราะนาักเขาเนี่ยนาก็เปลี่ยนตัวเองโดยการที่ทุกครั้งที่นาทางานได้ นายจะไม่เคยรอให้เขาขอน่ากลับไปถึงเจอเขาเกาะแม่ทำอะไรเสร็จปุ๊บนายก็จะให้เงินเขาทันทีแล้วก็เป็นแบบเนี้ยห้าพันมั่งหมืนหน่นนึงมั่งให้อะไรเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่านั่นคือปัญหาในไลแคมเนี้ยล้วก็เห็นว่าผู้คนเนี้ยพยายามที่จะคุยกับป้าด้วยคําพูดที่เป็นบวกคือพูดดีๆ แต่ข้างในใจเนี่ยมันยังไม่โอเคแล้วมันก็เลยไม่เคยได้ผลเพราะว่าอัิทายซิว่าข้อดีของการเล่นไพ่คืออะไรเพลิดเพลนึกสมองลงพี่ช่วยบอกดิค่ะเมื่อกี้ครับที่บอกว่าเพิดเพลินฝึกสมองใจแหลกใจเป็นกุศลหรืออกุศลคะเห็นเอ็นความเงียนไหม เราคิดว่าเราคิดปวดแต่เมื่อกี้คิดว่าคิดปวดมฮะปวดปวดปวหมฮะปวดปวดนะจอแยมอลดมองเพลิดเพลินได้ใช้สมองมีมีแต่แต่ใช้สมองดังอื่นไม่ได้เหรอก็จริงๆเนี่ยจิตที่เป็นอักุศลเนี่ยถ้าเราตามมันไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเขาเก่งมาก เขามาแบบเนียนมากแล้วก็เขามีวิธีแทรกตัวเข้ามาในจิตของเราแบบใชเพราะนั้นที่พูดมาเนี่ยบางทีมันเหมือนกับประชดประชันเนาะหรือเหมือนกับบางทีเราไม่ได้เข้าใจความจริงแล้วครอบครัวนานเนี่ยพูดกับพ่อน า, นานด้วยความรู้สึกแบบนี้แล้วนาก็จะรู้สึกว่าปาเน้่หูปอดแต่ว่าเมื่อสองปีประมาณสองปีที่แล้วเนี่ย ก็ปรากฏว่ามีวันหนึ่งที่ลูกสะพ้ายก็คือน้องสะพ้ยนานเนี่ยอาวานเนื่องจากเจ้านี้มาตามเงินสองแสนกว่าบาทแล้วเหมือนกับว่าอาลูกสะพ้ยก็จะไม่ยอมแล้วก็แล้วเริกใช้คำพูดหยาบคายกับพ่อนาตอนนั้นเองที่นาะก็เรียนรู้เรื่องเหล่านี้มาพอสมควรแล้วนะก็รู้สึกว่า มันคงถึงเวลาที่น่าจะต้องอดูแลเรื่องการเล่นไพ่ของป้าให้ได้จริงๆเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายนะนาก็ได้แค่ตั้งจิตอธิษฐานภาวนาว่าขอให้นาพบทธกุศลลจิตของการเล่นไพ่จริงๆอะเหมือนต้องคิดบวกให้ได้จริงแต่นาะก็มันก็คิดออกมาในที่นอนจนวันหนึ่งนะก็ตื่นขึ้นมาไม่รู้ว่ามานันนเกิดอะไรขึ้นนั้นตื่นขึ้นมาเนี่ย อยู่ๆมันก็เหมือนกับมีบางอย่างที่ทําให้นานรู้สึกว่านาแกจบปริญญาโทเนี่ยมันเล่นไพ่ของป้านะป้าเป็นคนที่อนุญาตให้แกไปเรียนโทที่อเมริกาแล้วก็เออแล้วก็ป้าก็ทําทุกอย่างอย่างเช่นว่าป้าก็จะ ไม่มีเงินเนี่ยปาก็จะถ้าเล่นไม่ได้ปาก็ต้องไปกู้แล้วก็พยายามไปเล่นให้ได้แล้วก็โ่งไหม่ก็จะเป็นอย่างงี้เนาะก็แบบเอ้ยเราจบเนี่ยก็ด้วยเงินปริญญาเงินของปานี่ว่าแล้วก็เริ่มเห็นว่าทุกการที่ปาเล่นไพ่ได้เนี่ยปาที่เคยเอาไปทําสุรุสไลท์ที่อื่นลนะคือเล่นคือเล่นไพ่ได้เนี่ยก็จะกินดีมากเพราะเราต้องเป็นตั้งกินหูฉลามกันแล้ว แล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะกินทําไมเนี่ยตังก็ไม่มีแต่ว่าปลาเขาจะรู้สึกว่านั่นคือสั ญ, ญลักษณ์ของการกินดีอยู่ดีให้ให้กับครอบครัว <c oughs> แล้วก็ซื้อของเข้าบ้านเองแล้วเขไม่มี ม, มีไปใช้แบบอะไรที่มันไร้สลาลระเราก็ตกใจเราก็สุกโอ้โหแบบเออเนี่ยแหละชั้นเนี่แหละโตมาได้ด้วยเงินเลนไพรชั้นเนี่แหละแบบคือจบโทรมาจาก เงินเล่นไพ่เนีแ่แล้วก็รู้สึกหลักมากเลยทีนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจเข้า mm hmm. ใจ mm hmm. จริงจงตอนนั้นเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนาะแล้ววันนั้นก็นเกิดเหตุมาสจัญก็คือพอเข้าใจเนี่ยเช้าวันนั้นเนี่ยน่าจะต้องไปพูดที่ราชพัฒแล้วก็คิดว่าถ้าไปบ้านแม่เนีไม่มีเวลาแน่นอนก็เลยอยากกินข้าวไปกินข้าวข้างนอกบ้านแล้วก่อนจะขับรถ วั น, นั้นเป็นวันแรกในชีวิตที่อยากกินข้าวหมูแดงชีวิตนาใครอย่เมื่อก่อนเนะี่ยใครอ่ามาเลี่ยงอนะกินข้าวหมูแดงนะฮะขึ้นมานี้เลยเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยป้าจะเอาลูกสี่คนนั่งโต๊ะแล้วบ้านเราไม่ค่อยมีเขาก็จะหุงข้าวเราใส่จานเปแล้วก็ไปซื้อนําหมูแดงอ่ะแล้วก็มีหมูแดงนี้หน่อยลาดแล้วมาถึงลูกก็จะต้องนั่งสี่คนแล้วป้าก็จะนอนทีน่เราค้น นาจะเป็นคนที่อาหารเข้าปากแล้วเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าแกกลับไปอีกครั้งหนึ่ง้องหมดเราก็จะแบบอึไปเลยรอรับทําแบบนี้หูกินอย่างไงี้ยอยู่นานมากจําไม่ได้ว่านานกี่ปีอ่แต่รู้ว่าพอเลิกกินแล้วอะใครยากมเรียกกินข้าวมะเดื่อมันหนุนขั้นเพื่ได้ค่ะแต่วันนั้นเป็นวันที่นายอยากกินข้าวมะเดง แล้วนาก็ไปนั่งกินข้าวขมังแดงคนเดียวนะยังมีความสุขแล้วสัวคือมันก็อร่อยดีว่ะนึกในใจกูก็โตมาไปกินร้านที่พาะปลาซื้อด้วยลนะเออกูก็โตมาด้วยข้าดดวแดงนะี่หรอวะแล้วสักพักหนึ่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะหลวงพี่ลากขยะมาแล้วก็มาเก็บเศษอาหารโต๊ะใกล้ๆกินแล้วก็ทำได้เหมือนของถ้าเป็นอนดีตเนี่ยขอท่านประเภทแบบ ผู้ชายมือเท้าเค้นะ <laughs> แล้วมาใกล้ๆอัคคนาไม่โดนดายวันนั้นถือว่าอัคคณาดีคนะ <laughs> จะเป็นคนที่แอนตี้แบบนี้มากเลยรู้สึกว่าคือรู้สึกแบบไม่อยากมองห น, น้าไม่อยากช่วยไม่เคยช่วยเลยคนแบบเนี้แต่วันนั้นแบบพอเขามาลากมาเนี่ยมันเห็นเขาแล้วมันแบบเฮ้ยเขาเข า, เขาก็ใช้ชีวิตอ่นะเขาคิดได้แค่เนี้ยทำไงอ่ะเขาก็เขาก็ลําบากนะ ก็เลยสั่งข้าวให้เขานะแล้วเขาก็ทําท่าเราก็เออเอาท่าเหมือนขอใส่ถุงด้วยเะไแล้วก็ใส่ถุงใส่ถุงด้วยน่ารู้เกินแล้วก็เดินจากไฟด้วยถุงเข้ามาแดงนี่ทําสุกมากแล้วมันพบเลยนะคะว่าเวลาที่เราเปลียดคนได้น้อยลงเนี่ยใครสุกก่อนนะก็นั่งมองนั่งมองขอท้าสุดเออน้อยในชีวิตเนี่ย ถ้าเราแบบสามารถมองขอทานแล้วมีความสุขได้จรงชีวิตมันก็สุขได้ง่ายจริงนะ <c oughs> นั่งดูนี่ก็ดีนี่ก็ดีอะไเนี่ยแล้วพอวันนั้นทํา ง, งานเสร็จแล้วก็ไปหาป้า <c oughs> ไปถึงป้ากำลังดูทีวีค่ะ <c oughs> ดูทีวีอยู่น่ะก็ไปถึงน่ะก็จับมือป้าคุยอะไร ห, หน่อยดี <c oughs> ป้าก็หันมานังบอกอยากคุยกับป้าเรื่องเล่นไพ่อ่ะป้าหันกลับไปมองคุณ หัตาเลยแสดงวา่าอะไรคะเบือ่อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอแต่ว่านามั่นใจว่าแปดปีที่นาทำงานบนเส้นทางนี้นมไม่เคยพูดกับเขาเรื่องเลิกเล้น ไ, ไปเลยน้วก็บอกป า, ามนไม่เคยคุยกับปาเรื่องนี้เลยนาะงคนอื่นคุยนี่เป็นครั้งแรกของนามแล้วจริงป่ะเขาก็เลิกได้เขาก็ห่างมานาก็บอกว่า ความจริงวันเนี้นามาเนี่ยนาจะมาขอบคุณป้าน่ะนานาเพิ่รู้สึกได้ว่านาจบโทก็เพราะว่าเงินเล่นไพ่ปานี่แหละแล้วนาก็ตรงมาได้ก็ด้วยเงินเล่นไา่ปานี่แหละและนาก็รู้ว่าป้าเป็นเล่นไพ่เนี่ยป้าไปทํางานหาเงินให้พวกเรานะนาเข้าใจจริงวันนี้นารู้แหละและนาอยากขอบคุณป้าจริงเพีแต่ว่าวันนี้ป้าเจ็สิบกว่าแล้วนะ ปาไปเล่นไพ่ทุกวันในอดีตตอนนี้นาเข้าใจแต่ตอนนี้ปาจะเสกกว่าปาอยากเข้าใจปามากกว่านี้ปาบอกหน่อยว่าปาไปเล่นไพ่เพื่ออะไรทับท่านหนึ่งปาไปเล่นไพ่เพื่ออยากมีเงินมากินดีอยู่ดีไม่ต้องเลยละปาเพราะว่าปาดูเตะจมูกก็เป็นหมอนาก็ทางานขลาดนี้เจ็ดก็เจ้าของร้านทองพวกเรามีเงินแล้วนะปา ไม่ต้องเล่นไพ่นะและสองถ้าป้าอยากได้เงิน่อพาแม่ไปเที่ยวหรือไปทำอะไรป้าบอกเลยเพราะเรามีเงินให้ป้าททำอะไรได้ทุกอย่างที่ป้าอยากทำเลยดำบอกได้เลยนะแต่ถ้าพ่จะสองข้อนี้ยนะังไม่รู้ป้าต้องบอกนางแล้วนาจะเข้าใจ <c oughs> เขาก็หันไปแล้วเขาก็หลับตาแต่ห <l> ลับป้าคนี้ของเขาไม่เหมือนเดิม เรู้ว่าเขาหลับตาเนี่ยแล้วองบางอย่างของเขาเนี่ยที่มันเป็นคนที่ที่เรารู้ว่าเรารักกันอะ่ะพูดตาให้ไหลอืมพูจริงจริงไม่ไหลเลยเนี่ยคุณแ <c oughs> ม่พูดเลยไหลแล้วแล้วม <c oughs> ันก็น่าทึ่งมาว่าเออพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาเริ่มเล่นไพ่ แล้วเขาก็กลายเาป็นมาดูแลแม่นะแล้วก็ใช้ชีวิตดีๆกับแม่แต่แบบว่าก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเริ่มป่วยขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นแล้วก็เลยรู้สึกว่าคนเล่นไพ่มา50าสิบปีอยู่ๆมาขัดจังหวะคือเขาเป็นเขาใช้ชีวิตเขาบอกว่าชีวิตที่ติดอยู่ในกรดับเนี่ยเราใช้ชีวิตเหมือนกับเทมเพิลเก่า เช้าขึ้นมาก็ใส่เทปเหมือนเดิมก็คือตื่นสายหน่อยลงมาดูแม่ทำกับข้าวด่าแม่นิดหน่อยทะเลาะกันนิดหน่อยเล่นเล่นนอย <laughs> สา ย, สา ย, สายออกไปเล่นไพ่กลับดึกดึกตื่น ส, สายแล้วก็ใส่เทปหมนเก่าแล้วก็เล่นจนลืมไปว่าเออตื่นขึ้นมาทุกวันเนะีเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยไปเล่นไพ่เพื่ออะไรอ่ะเราเขาลืมไปแล้ว แล้วก็มีหน้าที่เพียงแค่บอกเขาแต่ว่าสุดท้ายชีวิตเขามันเหมือนเลยมันเหมือนใช้แบบรูทีนมาเนะก็ผ่านไปได้สักสี่เดือนเขาก็ดูสุขภาพไม่ดีถึงตุ่นจีนนะเราก็ใส่สอบตะเอีะก็ให้แม่ให้ป้าแม่เขาขนัดแม่ป่วยนะเดินขาก็เพดนะยังเดินไปแอบเอาซองของป้าแล้วมาเก็บป้าจะเดินมาถึงบอก อุ้ยซ้องว้แม่ก็ทําเป็นงอนไม่พูดเลยแล้น่า ก, ก็จับมือแม่บอกแม่ให้ปลาไปเถอะอยู่เนี้ยปลาเขาไม่ได้เล่นเยอะแล้วเขาเล่นเขาอาจจะให้เขาไปเล่นชั่ น, นี้หน่อยเถอะก่อนที่เขาจะป่วยเนาะให้เขาเล่นให้แบบแต่เดี๋ยวนี้เขาแบบน้อยมากนะฮะคือน้อยจริงยกเว้นว่าวันไหนที่แบบว่าอาจจะเบื่อหรือไม่รู้จะทำอะไรเขาก็จะออกไปแล้วก็กลับเร็วมากแล้วก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วเขาใช้เวลาในการดูแลแม่วันหนึ่งเนี่ยหลายชั่วโมงมากขับรถพาเที่ยวคุณเหี้ยเหอตอนนี้ก็คือขับรถแล้วคุณคนนี้ก็จะชี้ว่าไปทางนี้ตรงนีนน้ขับมาละสองสามชั่วโมงอะถ้าอยู่เนี่ยกินข้าวเสร็จก็ต้องขับไปเยี่ยมลูกทุกคนบิดแต่หน้าคลินีกลูอกออกมาบายบาย <c oughs> <c oughs> บิดแต่หน้าโรงเรียนานาแล้วบอ ก, ออกาบายบาย <c oughs> คือนะัคิดว่าความจริงแล้วเนี่ยเวลาที่ท่านจะพาเขาจากจิตที่เป็นอัตโนมัตาุเนี่ยท่านต้องแน่ใจจริงๆว่าเราได้รักและแม่ตาเขาเราได้เข้าใจเขาจริงๆใช่ไหมหรือว่าเราแค่แกล้งเข้าใจแต่ว่าถึงยังไงก็ตามความที่เราแกล้งเข้าใจเนี่ยมันก็เป็นเส้นทางที่บอกถึงความพยายามของเราเนาะที่เราพยายามที่จะเข้าใจ แต่衲อยากขอแค่ว่าอยาละความพยายามแล้ววันหนึ่งท่านจะพบเพราะว่าวันที่าพบเนี่ย衲ก็ไม่รู้ว่าเราพบได้ไงแต่เราตั้งจิตว่าเราจะพยายามแล้วเราจะทำอย่างดีที่สุดจ้ะพ <c oughs> ักไปให้ได้พักคอได้ไนะ่มเ <c oughs> ออ ก็ ม, ม, มีกมิจกรรมที่อยากให้ท่านทำจริงๆคือคกิจกรรมอันนี้บางทีเวลาที่เราจะเริ่มต้นทำอ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องตั้งหลักแล้วก็ตั้งสติจริงๆว่าเราจะตั้งใจทำมันจากหัวใจของเรา เพราะว่ามันคือการฝึกฝนตัวเราเนี่ยมันมีจิตสองด้านที่เรียกเราอยู่เสมอแต่ตัวที่เรียกเราได้สำเร็จมันก็มีกำลังมากขึ้นมันคล้ายๆกับอย่างนี้นะคะว่า ตาตอนนี้เป็นเซนเร์ของนายถ้าพูดถึงเ อ, เอาเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายนะเซล์ในร่างกายเราเนี่ยกินฮอร์โมนเป็นอาหารนะเซลเราคือถ้าเราจะมาพูดถึงกิเลสหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเปลี่ยนจากอันนี้มาเป็นภาพทางวิทยาศาสตร์คือเซลล์ในร่างกายเรากินฮอร์โมนเป็นอาหารแล้วแต่ประเภทของมัน น้าแปลหนังสือไวท์เบรฟตูวีโน่เนี่ยน้าแปลเรื่องของอิโมชันเราได้เห็นภาพอันหนึ่งก็คือเซลล์เนี่ยมันจะมีรูรับกุญแจอยู่แล้วกุญแจที่จะมาใส่ก็คือสารฮอร์โมนที่ไหลมาตามร่างกายเวลาสมองหลั่งฮอร์โมนที่แบบเกิดอารมณ์ปุ๊บแล้วหลั่งฮอร์โมนมาทั่วร่างกายเนี่ยฮอร์โมนจะเข้าไปในเซลล์เพื่อเป็นอาหารให้กับเซลล์ประเภทนั้นได้ก็แต่เมื่อฮอร์โมนนั้นมีกุญแจอันเดียวกันถ้าพูดให้ง่ายก็คือ เรามีเซลล์ประเภทรักที่กินฮอร์โมนรั ก, รกหทานาก็จะมีเอ่อบางคนก็จะมีเซลล์เศร้ากินฮอร์โมนเศร้ากรดมันมีมันมีอยู่หลายอย่างมากนะแต่ว่าเอาว่าตอนเริ่มต้นเอาแค่นี้ก่อนเนาะเพื่อให้เห็นก็คือเวลามันมันกินอาหารแบบเนี้ยสิ่งที่มันทำด้วยก็คือ มันจะส่งสัญญาณบางอย่างถ้าให้เห็นชัดก็คือเหมือนเสียงเสี้ยมเพื่อเรียนร้องให้เราเกิดอารมณ์แบบนั้นแล้วถ้าเกิดอารมณ์แบบนั้นมันก็จะได้อาหารถูกไหมฮะถ้ามันได้อาหารแล้วเกิดอะไรขึ้นคะใช่มันก็จะแบ่งตัวแล้วมันก็จะโตขึ้นเพราะฉะนั้นในอดีตเป็นเจ้าเหงความโกรธเห็นอะไรมันก็โกรธโกรธโกรธ นั่งไม่ดีก็โกรธนั่นก็ก้นก็กบคนที่ขี้โกรธก็คือคนที่มีเซลล์ที่กินอาหารโกรธเนี่ยเยอะมากจนกระทั่งมันมีอํานาจในการส่งเสียงได้ดังกว่าแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้าพอดีเห็นมีเรื่องโรคซึมเศร้าเน้นอยากอธิบายนี้ว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเวลาหมอให้ท่านตียาเนี่ยเขาไม่เขาจะเออคือต้องบอกอะไรว่ามันเป็นนิวซเอลนด์ ยาที่กินเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าสารตัวนี้ไม่หลังนะคะหลังแต่ยาแค่ทําให้ไม่รู้สึกทีนี้สิ่งที่มาันน่ากลัวคือพอท่านหยุดยาข้างในมันเติบโตวมากมันจะหยุดยาไม่ได้พอหยุดยาแล้วจะควบคุมความเศร้าไม่ได้เลยจะหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นเ อ, อไม่อยากกินยาแต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยช่วยได้จริงว่า เซลเศร้าเนี่ยมันก็ทำงานเหมือนกับตัวโกรธแล้วมันก็ส่งสัญญาณมันบิ้วเราไงไม่มีใครรักฉันเลยม <laughs> องฉันทำไมอะกำลังว่าฉันอยู่ใช่ไหม <laughs> แล้วเสร็จแล้วเราก็เศร้าพอเราเศร้าปุ๊บมันก็ได้หายมันก็โตแล้วมันบิ้วเก่งถึงขนาดว่าเราเศร้าเพื่อนโทรมาแกเป็นไร <laughs> ไปไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันไม่ไป ไปเถอะไปเถอะจะโม้เศร้าอย่างไไ ม, ม่เป็นไรไม่ไปไปเถอะพอเพื่อนไปเห็นมามันไม่ได้รักกันแล้วมันจวนแกปัดเดียวเองแล้ <c oughs> มันก็เศรา้า <c oughs> แล้วพอตกกังคืนมันก็ปิ้วเรา <c oughs> ให้ปิดไฟ <c oughs> เปิดเพลง <c oughs> จุดเทียน <c oughs> แล้วก็นอนเศรา้า <c oughs> เพราะว่ามันมีอำนาจเหนือเราเยอะมากดังนั้นคนที่ คนที่รู้จักการภาวนาเนี่ยภาวนามีหลายทางนะฮะเวลาที่เขามีสัญญาณตัวนี้มาเนี่ยเขาก็แก้เห็นมันแล้วก็ไม่ให้อาหารแล้วเขาก็นั่งทําอย่างอื่นที่เป็นภาวนาก็มีน้องอยู่คนหนึ่งกินยาอยู่เจ็ดตัวเป็นเวลาห้าปีภาวนาไปได้ครึ่งปีเหลือยาอยู่ตัวเดียวพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเห็นเลยนะคะถ้าเกิดเขาอยู่บ้านถ้าเกิดเขาอยู่บ้านคนเดียวเมื่อก่อนเนี่ย สามีเคยกลับมาแล้วเจอเขาแบบว่าขังตัวเองอยู่แล้วก็เละเลยอะแต่แต่ว่าพอเดี๋ยวนี้ยพอเวลาที่เขาทํางานอยู่เนี่ยแล้วมันเริ่มมาละอารมณ์ความรู้สึกเศร้าเนี่ยชีทิ้งไม่กวอดเลยนะวิ่งคว้ากระเป๋าขับรถออกนอกบ้านไปทําอย่างอื่นเพราะไม่งั้นเนี่ยกลัวตกลงไปในหลุมแล้วเธอก็ออกไปแล้วก็ไปทําอย่างอื่นเสร็จปุ๊บก็ไปจัดการจิตของตัวเองใหม่ เนี่ยมันคือสมองเรามันสั่งเรามันถ้าเราเป็นผู้กากับเราก็ต้องกากับให้เซลล์ที่เป็นกุศลเนี่ยมันโตเนาะทานี้นออกมายาวเลยจะให้ทำกิจกรรมแความรักนทนี้ก็ถือว่าเวลาทำกิจกรรมที่สำคัญเนี่ยบางทีเราไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราก็จะไปเผลอฟังจิต ด, ด้านลบเอาไว้ก่อนเละ ไม่ต้องหรอกจะดีเลิเหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็โอ๊ยฉันทำไม่เป็นหรอกจริงๆความรักความไม่ตายอย่างที่พระอาจารย์บอกเรามีอยู่ในตัวเราทุกคนเพียงแต่ว่ากว่าท่านจะฝ่าตัวเองไปเพื่อสัมผัสมันเนี่ยท่านก็ต้องผ่านด่านนเสียงที่บอกว่าใย่าความอ่อนหวานเนี่ยก็มีอยู่ทุกคน ถ้าอังคาเปลี่ยนมาเป็นอ่อนหวานได้เนี่ยนะว่าคนทั้งโลกก็เปลี่ยนได้แล้วเห็นอังคาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วจริงๆนะฮะน้านเดิไปไหนเมื่อก่อนเนี่ยลูกน้องแหวกเลยนะฮะคือแบบว่าลังสีมันออกมามากเท่ไหนอารมณ์ไม่ดีเนี่ยไม่มีใครเข้าไม่ยุ่งมาบนาเลย <c oughs> เรียกว่าเพื่อนสามีเนี่ยตกใจมากที่นาเปลี่ยนไปขนาดเนี่ย เขาบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่พี่หมูบอกว่าจะแต่งงานขนาเนี่ยเขาคิดในใจมันอยู่รอดเรืมันจะมันจะผ่านอย่างขนาดนี้มันกินรับประทานแต่วันนี้น่ะก็มีแล้วก็มีพลังงานที่แบบว่าบางทีน้องๆกลัวแต่ว่าน่าก็รู้ว่าบางทีมันแหลมมันแหลมออกมาแล้วจะทําไงอ่ะมันรู้สึกแล้วมันจะแหลมมาแต่น่ะก็รู้ว่ามันเหมือนหมาป่าแบบแล้วน่ะก็ตึงถังมันกลับมาบอกเอาไปอะไรอเงี้ยน่ะก็มี แต่ว่าถ้าเราฝึกให้จิต ด, ด้านบวกของเรามันแผ่ขยายเติบโตเนี่ยมันต้องอย่างที่หลวงพี่บอกคือที่ น, นั่งเมตตาต้องทำด้วยต้องทาด้วยก็จะชวนท่านทำความรู้จักกับความรักที่อยู่ข้างในแล้วก็แสดงความรักเป็นนะฮะเราจะคุณนายคะอยากจะขอความบรานุญาช่วยแนะนำแล้วก็ ตอนนี้ทำอะตัวอะไรพี่นอะไปหาหมอไปตรวจพี่พี่ดีกว่าารอาจารย์โอเคลาอกอบอก่าเบลโอเคกลาวอกโอเคตัวนิชานนะครับมีปวดท้องไ่หาหมอไปตรวจไปตรวจทุกอย่างสองเดือนที่แล้วขึ้นไปสองสอง ท้องไปส่องลุ <lightly favors enders> it, it so ่มลำไส้เพราะว่าเป็นเป็นเนื้อรุ่กระเพาะนะคะที่มาปวดท้องหุกเช้าเลยนะคะอ๋อที่ก็เลยย้อนบางหลายคนเป็นเยอะคือเวลาเวลาขี้เียจเวลาทิองทิ้งงานก่อนเช้านะเขาทำงานโรงงานค่ะจะไปทางานก่อนเช้ามีจีปวดท้องตลอดจีปวดจพปวดช่วงเช้าค่ะหมอคนก็ไปตรวจกาว่เจออา ที่ถามว่าตอนนี้เป็นนักบวดอยู่ประมาณสามปีแล้วค่ะมวกผู้ปฏิเสธจะได้มบางคนกขาบอกว่าให้ไปเทเลปีนะคะคือคุภาพของคุตอนนี้เป็นยัย 5, บกบวดอยู่ก็รู้ก็ผู้ปฏิเสธผูอืมเราต้องสามารถมยแรงกาดโบที่สิบหกบวดที่สิบหกเขาจเอื้องเลือบร่กระบอกเครียด ตอนนี้ยังปีนี่เลยเยอะไนี่หาย อ, อ่ะน <Sad> ี่เขาเนี <champion> ่ยาบอกคะคือถ้าถ้าหาสาเหตุทางกายไม่พบเนี่ยก็สันนิษฐานว่าเป็นเพราะสาเหตุทางใจมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ2ี่ส้าไม่ถึง30ิน่ะแกปวดหัวเรื้อรังปวดหัวปวดทองเรื้อรังเป็นประจำปวดหัวปวดทองเรื้อรังแล้วก็ ความดันสูงนะหมอเนี่ยหาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พบความผิดปกติทางกายจนกระทั่งหมอนี่เกิดจะทอแล้วแกก็เขาเา้าออกพยาบาลอยู่ท่นแหละแล้วก็ไม่หายสักทีได้ยาอะไรไปก็ประเดี๋ยวประดาแล้ววันหนึ่งเนี่ยหมอแกก็ฉุกเฉียดขึ้นมาที่เลยถามวันไหนคุณช่วยเล่าประวัติให้ฟังหน่อยแกเป็นเด็กกำพรา้าแล้วก็อยู่กับพี่สาว พี่สาวดูแลเวลาพูดถึงพี่สาวนีแกจะมีอาการโกรธน้อยเนยต่าใจพี่สาวอาการเนี่ยความกกัวมันเห็นแสดงตัวได้ชัดหมอกเลยบอกว่าเนี่ยรู้แล้วว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็แนะนำว่าเนี่ยจะแนะนาอย่างหนึ่งนะให้คุณให้ไยพี่สาวแกไม่เชื่อนะแกไม่พอใจหมอด้วยหมอแทนที่จะให้ยาแกกลับมาบอกให้แกทำโน่นทานี้แกก็หายไปเลย <c oughs> หนึ่งปีต่อมาแกก็เขียนจดหมายถึงหมอบอกว่าแกหายแนละ้วเพราะทําตามที่หมอแนะนำนะคือแสดงว่าแกเนี่ยมีความที่ปวดเนี่ยเพราะว่าที่ปว่วยเนี่ยเป็นเพราะว่าใจใจมันก็มีผลต่อกายนะแต่ไม่ได้แบบ <c oughs> ว่าของคุณกรณเนี่ยคุณเป็นอย่างนี้นะคุณก็ต้องไปหาดูว่ามันมีความเครียดจากอะไรนะเสาร์ทิตเป็นไหม ถ้าสาวที่ไม่เป็นเป็นเฉพาะวันทํางานเนี่ยก็สันนิษฐานว่าเครียดกับที่จังงานเพราะบางคนเป็นนะบางคนเนี่ยเย็นวันอาทิตย์หรือเช้าวันจันทร์เนี่ยเริ่มมีอาการแล้วนะอันเนี้ยพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องใจบางคนใจสัน่นใจสั่นเนี่ยหลายคนมาหาอาจารย์ประเวศนะเพราะลูกใจสัน่นนะหน้ามืดวิยนเวียนอาจารย์ประเวศก็แนะนําให้เอาสามีมาด้วย แล้วก็แนะนําว่าทีหลังสามี อ, อย่าไปมีกิ๊กนะสามีก็ละปากเขาก็ว่าหายเลย <S <S <S คือรักษารักษาคนไข้ด้วยการคุยกับสามีนะคือเนี้ยปัจจุบั น, ะ น, น, นเป็นเยอะนะในเมืองไทยเป็นเยอะโรคใจสั่นแล้วก็หาสาเหตุพบแต่ว่ากุ่มใจเรื่องสามีกุ่มใจเรื่องว่าเงินไม่พอส่งดอกเป็นนี่อะไรเงี้ยนนะ คือมันมันไม่ไปแก้ที่การไปแก้ที่<จ>ที่ใจไปแก้ที่ความสัมพันธ์นะเออคนนี้เนี่ยอันนี้โลกวันนี้เถึงจะเป็นกันเยอะนะ<ม>เป็นเงนเยอะเพราะนั้นเนี่ยให้รา<ม>ให้เร า, ใ ห, เราให้เราลอง<ม>ลองดูซะว่าเออมันมีเหตุปัจจัยทางด้านนี้หรือเปล่าไอ้เหตุก็เหตุทางกายก็อย่าเพิ่งไปไป <c oughs> ไปปฏิเสธเพราะว่าอาจจะอาจจะมีแต่หมอไม่พบหรือว่าในทางเดียวกันมันก็จะมีเหตุทางทางใจนะที่เราก็ต้องหาดูด้วยนะ มันมีมันมีมันมีอาการแบบนี้เยอะบางคนเนี่ยนะอีพะเภทหนึง่งมีคนนึงเนี่ยแกเป็นเพศหายใจไม่ไ ม, ไม่เต็มท้องแล้วก็ปวดท้องประจํานะตอนหลังเนี่ยนะแกไปเข้าคอร์สแกไปเข้าคอร์สเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องไม่ไม่สบายนะแกมีความทุกข์เพราะว่าธุรกิจแกล้มละลายและแกเสียเซลล์มากแกก็ไปเข้าคอร์สแล้วคอรนี่ก็แนะนําให้มามองเห็นว่าตัวเองได้มี จุดบกพร่องที่ควรแก้ไขอย่างไรบ้างแกพบว่าแกเป็นคนชอบทําอะไรเร็วๆแล้วคอร์สเนี่ยก็ให้ทําโครงงานอย่างหนึง่งแค่โครงงานเดียวอะไรก็ได้แกก็เลยเลือกที่จะกินเคี่ยวข้าวให้ช้าลงโครงงานนี่นะคือเคี้ยวข้าวให้ช้าลงทุกมือนะแล้วต้องเอารายงานไปส่งนะพรากว่าแกเคี้ยวข้าวให้ช้าลงเนี่ยประมาณสักสักไม่ถึงสิบวันนะไม่ถึงสองาทิตย์นะ ปรากว่าโรคนี้หายไปเลย mm hmm. เพราะอะไรเวลาแกกินแกเคี้ยวข้าวเวลาแกกินข้าวแกเคี้ยว mm hmm. เคี้ยวแกนึถึงงานแกนถึงงาน mm hmm. แล้วเรื่องคนนี้เนี่ย mm hmm. เดี๋ยวมีเรื่องเล่าเยอะนะ mm hmm. เพราะว่าเพียงเคี้ยวข้าวให้ช้าหลวงนี่ยนะโอ้มั น, ม, นมันส่งผลกระทบอะไรมันส่งผลดีต่อแกนเนี่ยในหลายเรื่องมากเลยแต่นี่เฉพาะตัวอย่างนี้นะคืออาการปวดปวดท้องหายใจไม่ทั่วไ ม, ไม่ไม่ทั่วท้องเนี่ยมันหายไปเลย เอะไรเพราะแกเครียดเวลาแกกินข้าวเนี่ยแกกินแล้วแกคิดถึงงานการกินข้าวแต่คิดถึงงานแล้วเรื่อยๆกินให้เสร็จพอแกกินข้าช้าลงแกต้องกินมีกินอย่างมีสติพอกินอยมีสติเนี่ยแกก็เริ่มมีโอกาสที่จะคุยกับลูกกับลูกชายแกมีปัญหากับลูกชายแกไม่เคยไว้วางใจลูกชายเลยทํางานที่แกเก็บแกลูกขาดงานคนเดียวพอแกมีเวลาคุยกับลูกชายความสัมพันธ์ลูกชายก็ดีขึ้นแกก็วางใจลูกชายให้ทํางาน ตอหลังเนี่ยพอแกใจใจเย็นนะแกก็ไว้ใจลูกน้องมีปัญหากับลูกน้องแกก็โยโอยู่อวยงานให้ลูกน้องทําถ้าชีวิแกก็เริ่มมีเวลาใกับพ่อแม่มากขึ้นพาพ่อแม่ไปเที่ยวแต่ก่อนบอกไม่มีเวลาพาพ่อแม่ไปเที่ยวเลยคือชื่อจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเพียงเพราะว่าเริ่มต้นจากการเคี้ยวข้าให้ช้าลงความสัมพันธ์ดีขึ้นความเครียดน้อยลงสุขภาพดีขึ้นนะอันนี้เพราะ เป็นนนสอ ง, องการมีสตินะหลายคนเนี่ยนะเคี้ยวข้าวกินข้าวก็นึกถึงงานทํางานตรงนี้นะก็นึกถึงงานต่อไปนะทำงานที่1ก็คิดถึงงานที่2 ง, งานไม่ทันเสร็จงานพอทํางาน2ก็คิดถึงงานที่3แล้วชีวิตนะั้นนะโหมันเร่งมันรีนนนตตลอดเวลาเป็นเครียด ตงานต้ต่อน่งกระจายกระจายคเก็บของทุกอย่างนะคะ